ผู้ทวีสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะดิฉันสันสินีนาคพงกับรายการสันสนีสนธนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รนะคะเราก็กลับมาพบกับท่านฟังกันตอนเช้าตรู่ของวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันศุกร์ค่ะมีพระมหาเพาบุณอภิปุโนจะมานำท่านทั้งหลายเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ฝึกสติกันโดย ไม่ให้เสียเวลาก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ในคอร์สลีกเรนซึ่งถ้าหากเป็นที่ท่านเพบูนจัดสอนอยู่ก็จะอยู่ที่จังหวัดอุดรธา น, นีอำเภอหนองหานวัดชื่อดีมากนะคะคือชื่อวัดป่าดอนหายโศกดิฉันได้ยินชื่อครั้งแรกมีความรู้สึกไหมหน่าไปสะดอกเคราะห์คือแค่ฟังชื่อไปถึงเนี่ยก็หายโศกแล้วอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะ แต่จริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นไปถึงเล่าหายหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสนทนากับท่านพิบูลเองนะคะกราวนรัช ก, กาลนะท่านคะนไปถึงวัดเล่าหายเลยไหมคะโศกค่ะการที่จะหายโศกได้หายจากความทุกข์ได้กระบวนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีอยู่หลวง ป, ปู่เจ้าให้เริ่มจากการที่เรามีศีลแตาการที่เรามานั่งฟังรายการวิทยุกายของเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้รผิดในกามวาจาของเราก็ไม่ได้กล่าวคำเทศ ได้กล่าวคำพยาบาทส่อเสียดใดอันนี้คือเรามีศีลละศีลที่เกิดขึ้นในใจในกายทางวาจาทางกายของเรานี้เป่เหมือนกับฐานฐานที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่จะเป็นสัตว์บกเสือช้างหรือสัตว์ใดก็าตามเนี่ยจะประกอบกิจในการยืนเดินนั่งหรือนอนก็ต้องอยู่บนแผ่นดิน เช่นเดียวกันเราจ ะ, จะเจริญสติปัฏฐาน4ีจะปฏิบัติธรรมะในข้อใดๆมีเมตตามีโพชฌงก์ก็จะต้องเริ่มจากเรื่องของศีลแต่เรามีศีลตั้งไว้แล้วจิตที่สามารถรักษาศีลได้เนี่ยต้องมีสติแน่นอนพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงการที่ให้เรามีจิตมีศีลมี ส, มสติเป็นอย่างดีเพราะว่าเวลาที่เราจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์การที่เราไม่ทาอย่างนั้นได้ไม่ทาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแสดงว่าจิตของเรานั้นมีสติ อยู่ในระดับหนึ่งสติที่ให้ฝึกนี้ก็คือให้เริ่มจากการที่เรามาสังเกตลมหายใจของเราจริตของเรานี้มันอาจจะวุ่นวายไปในเรื่องอดีตอนาคตเอาเราให้จิตของเรามาอยู่สักที่ใดที่หนึ่งซึ่งที่ใดที่หนึ่งในที่นี้ก็คือให้มาดํารงอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าใช้คําว่าป ร, ริมุขขังก็คือดํารงอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงทางเข้าทางออกของลมหายใจ สิ่งที่เป็นมุกยื่นออกมาจากบริเวณอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการเนี่ยที่เขาทำเป็นหน้ามุกยื่นออกมาก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกและในใบหน้าของเรามีสิ่งที่ยื่นออกมาก็คือจมูกเพื่อรู้ว่าตรงนี้แหละเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจในบริเวณทางเข้าทางออกนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อต่างๆอะไรที่มันค่อนข้างจะไวต่อสัมผัสในในโพรงจมูกของเราคือบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละ เราตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นเราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้รู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวเวลาที่เราตั้งจิตของเราอาไว้อยู่นะที่ตำแหน่งจเปา้าะหน้าจิตที่เกิดขึ้นนี้แหละกเรียกว่าเป็นการที่ทรงจิตอาไว้เป็นจิตตาลุบปัสนาสติปฐานหมายถึงการที่เรามาเห็นจิตในจิตคําว่าเห็นจิตในจิตนั้นก็คือเห็นด้วยสติไม่ได้เห็นไปตามความคิดนึกต่างๆแต่เห็นด้วยสติ ที่ให้มาคงอยู่ตั้งอยู่ไว้อยู่กับลมหายใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสติทันทีสติที่เกิดขึ้นจากการที่เรามารู้ลมหายใจนี้ลหละจะทำให้เป็นตัวรักษาจิตไม่ให้จิตนั้นไปไปอยู่ในเรื่องที่เป็นอกุศลไปอยู่ในเรื่องที่เป็นบาปธรรมเพราะว่าถ้าเรามีสติเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วสามารถที่จะทาสมาธิาให้เกิดขึ้นได้ เวลาที่เราทรงจิตเอาไว้อยู่อย่างนี้เราสามารถที่จะรับรู้สิ่งอื่นไปได้ด้วยเจ็ดบางทีเรารู้ลมหายใจไปเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือไปขับรถไปหรือว่าทําสิ่งใดๆไปได้แต่แต่ว่าสตินี้ก็ให้สมดุลกับการงานที่เราจะต้องทําในแต่ละวันแต่เราฝึกตามไปอย่างนี้พอมันมีความคล่องคล่องชํานาญเหมือนกับเวลาที่เราฝึกขับรถแรกๆ แ, แน่นอนมันดีมันาจะยากบ้างไหนจะใส่เกียร์ไหนจะดูกระจก ในเจเรื่องของภูมิอะไรแต่เมื่อเราทําความชนานาญให้เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะเห็นลมหายใจอยู่เบาๆอยู่ได้ตลอดวันใ น, ในกิจกรรมใดๆต่างๆที่เราทําำฝึกให้เป็นธรรมชาติเราสามารถที่จะทําได้แน่นอนจรุนปอนดจะทุกค่ะนะคะท่านรุ่นปอคะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการที่ท่านไผบูรณ์ได้นําเอาคําสอนของพระาศาสดานะคะมาสอนท่านทั้งหลายในการที่จะฝึกสติ จเจริญสติเหมือนกับเวลาที่ไปดิกรนก็จะมีส่วนหนึ่งในลักษณะของคำสอนอย่างนี้เช่นเดียวกันวันละเล็กวันละน้อยกับรายการสังสนิยสนทนานะคะต้องการที่ท่านนั้นได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่พระพุทธองค์ได้คาดหวังเอาไว้คือไม่เพียงแต่ให้รู้ทรรมแต่ว่าต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยในส่วนของคาถามท่านภับุญค่ะท่านฝั่งท่านหนึ่งเขาถามมาดิฉันอยากจะ ตอบเลยนะคะเพราะว่าเ็เป็นแฟนรายการถามเรื่องพยายมค่ะพยายมมีไหมคะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้มีเลยแน่นอนเป็นพุทธพจน์อยู่<อ>ในพระสูตรที่ชื่อว่าพาละบัณฑิตสูตร<อ>ในมัชฌิมลิกายจะเรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าคุณจากกริดบอกว่าเหล่านายนิรยบาลหรือพยายมตอนที่เป็นมนุษย์ถ้าเหล่านั้น ทำกรรมแบบไหนมีประสูนที่พระพุทธเจ้าตรัส ไ, ไห ม, มและจริงหรือไม่ที่มีคนพูดว่าตอนเป็นมนุษย์ท่านเหล่านั้นได้ทํากรรมดีและกรรมไม่ดีทเท่าๆกันจึงเกิดเป็นนายนิรยาบาลโอเคค่ะเอาเอาพูดถึงคําว่านิรยาบาลกับพยาลมซะก่อนนะค่ะคำเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในหลายๆประสูนท์นประสูนท์อันหนึ่งที่อธิบวยชัดเจนก็จะเป็นพาราบันดิตสุดแล้วก็อีกสุดหนึ่งก็คือเทวทูตสุรอันนี้อยู่ติดกันเลยอยู่ในมัชฌิมนิกาย คำว่านิระยาบาล น, นิระยะนี่คือนรกอยู่แล้วนะบานนี่ก็คือผู้ดูแลเหมือนนางพยาบาลอย่างี้นะก็คือผู้ดูแลก็คือผู้ดูแลนรกนั่นเองผู้ดูแลนรกแล้วก็พยายมโยพยายมหรือเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าย ม, มาบา น, นั่นละก็คือเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าของผู้ที่ดูแลนรกนั่นเองซึ่งตรงนี้พระพรุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงกระบวนการที่ท่านจะทางาน การที่นันริยบาลจะลงโทษเขาจูดูแลอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็จะมีกระบวนการในข้อต่างๆ่ที่แบ่งเป็นกี่คุ้มกี่คุ้มกี่แดนกี่แดนจะทํำยังไงยังไงอันนี้เป็นพุทธพจน์หมดเลยนะคุณยมติวนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราสามารถหาได้ในพระสูตรอ๋อค่ะก็แสดงว่ามีอยู่จริงมีอยู่จริ ง, รงและมีแบบเป็นตัวตนมีหน้าที่ ชัดเจนบทบาทที่พระพุทธองได้ตรัสมีวันหยุดด้วยอ่ามีหมดอย่างไกล้เลยคะที่ฉันก็อยากทราบนะคะเนี่ยเอาก็เช่นว่าหน้าที่ของคนที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเอาน้ํากรดราดบ้างอย่างเงี้นะแล้วก็จะเอาขอเกี่ยวขึ้นมาบ้างจะเอาไม้จิ้มให้วิ่งเข้าไปในป่าที่มีใบเป็นใบมีดบ้างอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าที่ของนี่คือผู้ดูแลนรก หน้าที่น้าโกลนะคะส่วนส่วนหน้าที่ของโย ม, มาบาลหน้าที่ของโย ม, มาบาลก็จะมีหน้าที่อันหนึ่งอันนี้นนเป็นพุทธพจนิมกันก็จะทําการไต่สวนซักไซไล่เลียงนะกับสัตว์นกนั้นว่าถึง5อย่างถึงเทวทูต5อย่างด้วยกันค่ ะ, ะซึ่งแต่ทำการไต่สวนซักไซไล่เลียงเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คุณระลึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้ทำมีหรือเปล่าซึ่งเทวทูตถ้าอย่างเช่นว่าการเกิดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณไปเห็นคนเกิดเนี่ย อันนี้เป็นเทวทูตนะว่าอะไรเพราะเราควรจะต้องมาระลึกได้ว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ลวงพลจากความเกิดไปได้ควรแท้ที่เราจะต้องทําความดีแต่ถ้าโยมาบาลเขาถามแล้วว่าเอา้าได้เคยเห็นเทวทูต ท, ที่อยู่ในหมู่มนุษย์ไม่เคยเห็นเลยเหรอในละยโยมาบาลก็จะถามว่าก็คนเกิดเนี่เคยเห็นไหมถ้าก็บอกว่าเคยเห็นแต่ว่าระลึกถึงความดีจากการที่ตัวเองกระทำํำเมื่อได้เห็นคนเกิดไม่ได้เลยเนี่ยนะ จะต้องผ่านไปข้อที่2ข้อที่3จนถึงข้อที่ห้าก็คือถ้าไม่มีความดีก็จะหลุดออกจากนรกไปไม่ได้นะคือนี่คือคนประเภทที่ต้องไปเจอยมบาลนะทีนี้จะมีคนประเภทที่ไม่ต้องไปเจอโยมบาลก็คือถ้าทําดีสุดๆเลยคุณก็ไปสวรรค์เลยไม่ต้องมาเจอยมบาลใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าคุณทําชั่วสุดๆเลยคุณก็ไม่ต้องไปเจอโยมบาลอย่างเงี้ยไปตกนรกเลยแต่ว่าคนที่จะมาเจอโยมบาลได้เนี่ยก็คืออาจจะได้มีบวกบวกลบ อาจจะต้องมาเจอเป็นคิวที่เขาจะต้องมาเจอแบบนี้ก็มีอย่างเช่นความผิดไม่ชัดเจนงั้นความผิด<ล> ย, ยังไม่ชัดเจนใช่ถ้าเร า, า, าตรยุทธตัวอย่างเช่นว่าคนที่ทําความดีแล้วไปสวรรค์เลยก็มีคนที่ทำความชั่วแล้วไปตกนรกเลยเช่นพระเทวทัศอย่างนี้ก็มีพวกที่ถูกตํานนี้สุบไม่ต้องไปเจอโยมาบาลทีนี้เขาก็ทําหน้าที่ต่างกันละค่ะแล้วที่บอกว่าการจะมาเป็นนายนิรยบาลหรือพญายมซึ่งท่านว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะนิรยบาลเป็นลูกน้อง ผู้ดูแลคอยคัดคนไปขึ้นต้นนิ้วไปลงกระทะร้อนแรงประมาณนี้สมมุตินะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยายมก็จะเป็นผู้ไตสวนอ่าวว่าเคยทําความดีมาบ้างหรือเปล่าตําแหน่งไหนคะที่จะต้องทําตัวเองไม่ใช่ไหมอันนี้เขาจะมีอยู่ระบุอยู่ในส่วนที่เป็นดีกาค่ะหรือเป็นดีกาก็คืออันรับแรกก็ดีกาไปอีกพูดถึงว่าคนที่จะมาทําหน้าที่เนี้ก็ต้องมีกรรมดีและกรรมไม่ดีมาเท่าๆกัน แต่ว่าเป็นอัธกถาใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นสุตปสุตไม่ใช่ที่พระพุทโธง์ตรัดไว้ไม่มรูอาจารย์รุ่นหลังมาเขียนไว้ใช่ใช่คือพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อธิบายตรงนี้หรอกก็จะบอกถึงสิ่งที่มันจะดีกว่าค่ะอันนี้บอกถึงสิ่งที่มันจะดีกว่าว่าอะไรที่มันจะดีกว่าเช่นคุณไปอยู่บนสวรรค์อันนี้มันดีกว่าแน่นอนคุณไปทํางานในนรกเนี่ยมันไม่ดีหรอกมาว่าค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่พยาลมเองอันี่คือพระพุทธเจ้าเห็นแล้วจึงมาเล่าให้ฟังว่าแม้แต่พายยมมเเองก็ตนี่ ไม่ได้อยากจะอยู่ในหน้าที่นี้แ oh, ม้แต่ตัว <okay. S 1> พญายมเองนะเพราะว่าในตอนท้ายของพระสูตรที่ชื่อว่าเทวทูตสูตรเนี่ยตัวพญายมเองเนี่ยก็มีความคิดว่าโอ้โหสัตว์ที่ทํากรรมลามกไว้นี่จะต้องมาถูกทรมานอย่างนี้ในมนุษย์เนี่ยโอ้ยขอให้ฉันได้เกิดเป็นมนุษย์เถอะมีความคิดอย่างนี้นะพญายมขอมีขอหขอ้อหนึ่งขอให้ได้ความเป็นมนุษย์ <Okay. S 1> สองขอให้ได้เกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ Oh. สามขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้4ขอให้ได้ฟังธรรมและ5ขอให้ได้ตรัสรู้ธรรมนั้น mm. นี่คือ5้าข้อที่แม้แต่พยายมก็ยังอยากได้ความเป็นมนุษย์คือคือถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วแล้วอย่าไปขอให้เป็นพยาโยม oh. หรืออยากไปขอให้เป็นในนิรยบาลเท่ากับว่า mm. มนุษย์สูงกว่าการเป็นพยายมกับ mm. เป็นนิรยบาลใช่ไหถ้าฟังดีจะบอกว่าสูงกว่าหรือไม่ไมีอยู่ที่ว่าการทําหน้าที่มากกว่า นี่คือพูดถึงกรณีว่าถ้าไปทําหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยก็มันก็จะเจอคนที่เจ้าหมออ่าอย่างเราทํางานบบในคุกอ่ ะ, ะเราทํางานในคุกก็ต้องเห็นคนถูกท ร, รมานแล้วบางทีก็ต้องไปท ร, รมานเขาอ่ะอ๋อก็เลยไม่อยากเป็นแต่ว่าอยากจะได้ความเป็นมนุษย์อันเนี้ยคือดิฉันจําพระสูตรบางพระสูตรได้แต่ว่าไม่ได้จําได้ทั้งอัฏฐพยัญชนะอย่างนั้นนะคะจําความได้อ่ะ S <S <S เหมือนกับว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่จะบรรลุธรรมมีแต่ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่มีอย่างนั้นถูกไหมคะก็อย่างอื่นนี่อย่างเช่นว่าสัตว์เดรัจานเปรตสุริยก่พวกนี้จะไม่ได้นะถ้าถ้าเทวดานี่ก็จะได้อยู่ค่ะงั้นเท่ากับที่ขอให้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าได้นั่งใกล้กับพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมฟังธรรมและได้ตรัสรู้ธรรมใช่ห้าอย่างอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า อันนี้ความเห็นองเรามานะยังไม่ได้ไปทําการศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นในกรณีของนายอนุริยบาลหรือว่าพญายมเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุทําได้อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถึงได้มีความปรารถนานะคะเขาถึงได้มีความปรารถนาใช่อาจจะ<ต>เหมือนกับพวกพญานาคหรือกินนองกินรีอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นสัตว์ประเภทที่มีกายละเอียดมีความเป็นอยู่ดีอยู่หลักแต่ก็ยังเป็นสัตว์ที่ยังบรรลุทําไม่ได้ค่ะเออดิฉันได้ยินว่า พญานาคเนี่ยเป็นเดรัจฉานจริงไหมคะใช่ใช่ก็จะจัดก็เป็นเัจ า, านว่าเป็นอย่างนั้นใช่คะ่ะคือเป็นมนุษย์เนี่ยสูงกว่าพญานาคอืมถูกต้องถูกต้องถูกไหมคะาตามพุทธพจน์จะเป็นอย่างนั้นมีประเด็นหนึ่งในเรื่องของนายนรียาบาลตรงนี้อาจาราเคยไปที่โรงพยาบาลแล้วเวลาที่เขาอจะดูแลคนไข้บางทีเขาก็จะต้องเอาเอาเอะไรหลอดอะไรเสียบเข้าไปในคอนะค่ะแล้วอย่างเวลาที่หมอเขา สั่งให้พยาบาลหรือแม้แต่หมอทําเองก็ตามอ่ะคุณเอาเข็มแทงคุณเอาเลือดไปตรวดคุณแทงคอเขาเพื่อที่จะเอาอาหารเข้าไปอะไรต่างๆถ้าเราจะมาเปรียบเทียบเนี่ยคือคือคนไข้เนี่ยยอมให้หมอหรือพยาบาลทำเนื่อเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาว่าเขาต้องทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไข้นี่ได้รับทุกแน่นอนใช่ไหมทำไมอาจมามาเปรียบเทียบนึกถึงใันรโรกอย่างเงี้ยว่าเออทาไมซันเร์โรกเถึงยอมให้นายในรีบาลทําก็เป็นหน้าที่ของเขาอ่ะคุณก็ต้องได้รับทุกมันจะคล้ายๆกัน คือซึ่นคนที่ทําหน้าที่หมอหรือพยาบาลบางคนเนี่ยก็ไม่อยากทําหน้าที่นี้คงจะเหมือนกับพยายมที่อยากจะได้ความเป็นมนุษย์หรือว่าอยากไปทํางานอื่นมากกว่าออาจเป็นได้คะ่ะท่านคะก็เป็นอันว่าคุณจักริดน่าจะได้รับคําตอบถ้าอย่างฟันธงไปเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นที่ทว่า <พบ S 2> ทํากับดีกรรมชั่วเท่าๆกันนั้นในพุทธพจน์ไม่มีไม่ได้แต่ในอัตถกถาแน่นอนแล้วก็ให้มั่นใจแล้วว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีอยู่แล้ว อย่าไปเป็นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องแบบมันไส้เลยพี่เจอกันในนรกฉันจะไปเป็นนายนิรยบาลอะไรอย่างนีไม่ต้องค่ะท่านวันพีครบคะท่านกําลังฟังในการสัมมนาสนทนานะคะสนทนากับพระมหาภัยบุตรพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศดิฉันสัมมนาพงศดิฉันมีคําถามค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเวลาไม่ทันนะคะท่านคะเรียนบานก็อยากจะมาถามในครั้งนี้นะคะว่ามีคนบางคนค่ะออื ชีวิตในวัยหนุ่มสาวก็รุ่งเรืองดีแต่พอบั้นปลายชีวิตเนี่ยชีวิตใช้อยู่คนเดียวไม่ได้ติดต่อญาติพี่น้องอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนด้วยซ้ำเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยถึงแม้จะมีสวัสดิการดีมันก็แค่เห็นหน้าหมอพยาบาลบุคลากรในนั้นแต่ก็โดดเดี่ยวในความทุกข์กายเพลเพลอาจจะทุกข์ใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะ ควรจะมีธรรมะอะไรที่จะช่วยดูแลตัวเองได้เพราะที่ฉันเชื่อว่าคนในสังคมเนี้ยที่เขาบอกว่ากําลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็าอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องพวกนี้ให้มากๆที่จะอ่าเป็นโฮม alone โดดเดี่ยวอะค่ะท่านคะใ ช, ใช่ใช่่ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ประปริชาบอกว่าอย่าร้อนใจในภายหลังอย่าเพิ่งว่าไปถึงจุดนั้นแล้วคุณจะค่อยมาหาว่าอะไรที่จะทําให้เราไม่ร้อนใจเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยมันมาแน่ไม่ว่าจะเป็นความแก่ต่อให้แก่แบบ มีลูกหลานห่อมร้อมทุกคนมีสวัสดิการมีอะไรต่างๆดีเหมือนก็ต้องแก่ใช่ไหมแล้วยิ่งแก่แบบอยู่คนเดียวด้วยเจ็บแบบอยู่คนเดียวด้วยนี่ยิ่งจะทุกข์หนักแบบเนื่องะากนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะให้เตรียมตัวก่อนอย่าเพิ่งร้อนใจในภายหลังอย่าให้ร้อนใจในภายหลังทีนี้คุณจะทำอะไรที่คุณโยมติดตามตรงนี้ว่าเราจะต้องมีเพื่อที่จะให้เราไม่ร้อนใจในภายหลังแตนะ่ถ้าพูดอย่าง ก, างกว้างก็คือไอ้เจ้าอคุณสุรทันทั้งหลายแห ล, ละนะอย่าให้มันอยู่ในใจ แนวไลนที่ควรจะมีก็กุศลธรรมทั้งหลายแหละนะ่น่ะควรจะให้มันมีเอาเรื่องง่ายๆเบสิกเบสิกก่อนเช่นเรื่องของศีลเรื่องของศีลถ้าบอกว่าเราไม่มีศีลแล้วเราจะมีความร้อนใจจากการที่เราไม่มีศีล น, นั้นแต่ถ้าเรามีศีลอันนี้ความไม่ร้อนใจมันจะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งอันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าขึ้นมาอีก็ฉันก็มีศีลแล้วนะฉันก็มีศีลละฉันก็มีความที่สบายใจในระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็ไปคิดเรื่องที่ทําให้ฉันกลุ่มใจ เรื่องที่เป็นอดีตบ้างอนาคตจะเป็นยังไงรู้เต้าเป็นอย่างไรบันบางทีมันไปคิดเรื่องตรงนี้แต่เพราะนั้นสิ่งที่ถัดมาที่ควรจะต้องทําให้มีเนี่ยคือเราจะต้องรู้จักการบังคับจิตของเราให้ได้พุทิชาเปรียบตรงนี้คุณยมติ๋วเหมือนกับเวลาที่ตอนเย็นๆตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยจะมีเงาของภูเขาหรือว่าเงาของต้นไม้เนี่ยทอดไปในเวลาเย็นจะทอดไปไกลด้วยอันนี้เปรียบเหมือนกับ เรื่องของจิตของเราเนี่แหละที่อะไรก็ตามที่เราทําความชั่วมาในสมัยก่อนหรือทําความดีมาในตอนก่อนๆ ส, สิ่งเหล่า น, นั้นเนี่ยก็จะตามมาให้เราระลึกถึงสิ่งนั้นแต่ถ้าเราทําความไม่ดีความไม่ดีมันก็จะตามมาให้เราระลึกถึงถ้าเราทําความดีความดีนั้นมันก็จะตามมาให้เราระลึกถึง น, น, นี้พระพุทธเจ้าเปรียบตรงนี้ว่าไอ้ความดีหรือความไม่ดีที่เราทํามามันจะตามมาให้เราระลึกถึงได้ใน ต, ตอนที่เราอายุมากขึ้น จะอยู่คนเดียวก็ตามหรือว่าอยู่กับใครก็ตามทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทําความดีมาล่ะจะทํำยังไงถ้าเราทาแต่ความชั่วมาเนี่ยตรงนี้ก็จึงต้องสร้างความดีให้มากสร้างความดีตรงนี้อะไรล่ะที่มันจะเป็นความดีเป็นเขาเรียกว่าคุรุ ก, กรรมนั่นะคือกรรมที่หนักในเรื่องของความดีในะที่มันจะสามารถจะเรียกว่าเป็นการป้องกันความชั่วก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยจะทําให้ผลของความชั่วที่เราอาจจะได้เคยทํามาเนี่ยมันเบาบางลงไปมีกําลังน้อยลง ตรงนี้ก็คือสมาธินั่นเองนสมาธิถ้าเราพูดถึงขั้นของชานหชานสอานสามานสพวกนี้เป็นกุรุกรรมนะกุรุกรรมเนี่ยหมายถึงกรรหนักฝ่ายบวกแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบนะกรรหนักฝ่ายลบเนี่ยก็คือค่าพ่อค่าแม่ค่าประอาหารทําำสงให้แตกกันามบัปทุจริให้ห่อเลือดอันนี้เราทราบ ก, กันดีอยู่ละเป็นกรรหนักฝ่ายลบส่วนกรรหนักฝ่ายบวกที่จะให้ผลก่อนให้ผลเดียวนี้เลยก็คือพวกฌานสมาธิทั้ง4เป็นตน้น น่ยเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของศีลแน่นอนละเรามีความไม่ร้อนใจระดับหนึ่งแล้ ว, ลวจิตถ้าเผื่มันยังไปคิดนั่นนี่โ น, โนโ่นควบคุมไม่ได้เราฝึกควบคุมจิตซะนะให้อยู่ในธรรมนี้ซะเราจะทําไงถึงจะฝึกในการควบคุมจิตได้นก็ต้องตั้งสติขึ้นอย่างที่เราฝึกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยให้มีการตั้งสติให้มีการฝึกสติขึ้นแต่คนที่มีสติราธรรมสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่การทำอันนี้ก็สําคัญ อะไรจะเป็นตัวที่ทําให้สติสมาธิเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าพูดถึงอันหนึ่งก็คือเรื่องของเมตตา <Okay. S 1> แต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วคนที่จเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะสามารถทําจิตให้ตั้งมั่นได้รวดเร็วอันนี้ก็ข้อที่1น่ง <Okay. S 1> หรือในข้อเือนเช่นเรามีความอดทนอดทนต่อสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายอดทนต่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกคนที่อดทนได้นี่จะมีกําลังจิตสูงจะสามารถที่จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่าย หรือแม้แต่การที่เราทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแตศีลนะที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยหมายความว่าไงนหะมายความว่าข้อปฏิบัติอะไรที่เราทําอยู่เป็นประจําแล้วมันจะเอื้อเฟื้อให้สมาธิเกิดได้เช่นว่าการรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้สําคัญนะคือถ้าเรากินอิ่มอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันวั น, วนละหลายหมื้อเนี่ยหนังท้องถึงหนังตา ม, มันก็จะหย่อนไปเจ็บมันก็จะตั้งขึ้นไม่ได้ น, นี่ก็อันหนึ่งหรือว่าการที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแะแทนที่คุณจะ ฟังเพลงฟังอะไรที่มันจะทําให้เกิดความกัดเกรื้อคุณก็ฟังธรรมะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีปัญญามีข้อคิดอะไรต่างๆทำให้เราตั้งจิตขึ้นได้หรือแม้แต่การที่อยู่เสนาสนะอันสงัดแต่ถ้ามันไปเกลื่อนกล่นด้วยคนเดี๋ยวคนนี้ก็ว่างอย่างนี้คนนี้ก็ว่าอย่างงั้นเพื่อนบ้านนีกอะไรอีกโอ้ยยุ่งเหยิงก็อยู่เงียบๆบ้างอยู่หลีกเลนบ้างค่ะอันนี้จะช่วยได้พูดง่ายๆก็คือสร้างเหตุปัจจัยที่จะทําให้สมาธิมันเกิดละ่ะ สุดในการที่จะมีสติสัมปชัญญะพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยค่ะนะคะงั้นก็เท่ากับว่าไม่ต้องกลัวการอยู่คนเดียวอืแต่ว่าอย่าปล่อยโดยไม่ได้เตรียมตัวรอรับสถานการณ์นั้นใช่และอย่าประมาทบางทีอยู่ไปนานๆก็ดิฉันเนี่ยก็พยายามนะคะท่านคะเหมือนกับเวลาเจอคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้เราก็พยายามให้ธงมกขนองมะแต่รู้สึกว่าท่นทั้งหลายพออายุมากๆเนี่ยค่ะ มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเก่งแล้วอ่าบน้าร้อนมาก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ฉันกลัวเหมือนกับที่ท่านกำลังบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนเราใกล้จะตายเนี่ยเหมือนพระาทิตจะตกดินจะเห็นว่ามันมีเงาทอดไปในเวลาเยเย็นเหมือนกับเห็นความไม่ดีของตัวเองหรือว่าเห็นว่าเอ๊ะเคยทาดีอะไรไว้บ้างนึกถึงในสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าหากว่า นึกแล้วมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความร้อนใจค่ะร้อนใจแล้วก็อาจจะแบบที่เขกจิตสุดท้ายนี่สำคัญใช่ไหมคะใช่ใชต่ตรงนี้ความร้อนใจเนี่ยจะจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่เชิงนะคือคือสมมุติว่าถ้าเรามีความร้อนใจตั้งแต่ปฐมวัยค่ะโอ้ฉันอายุสิบห้าแล้วเนี่ยยังทําจีใหไ้ไม่ได้เป็นสมาธิเลยโอ้ฉันต้องทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งโอถ้าจิตคนที่เป็นแบบนี้นะเขาต้องได้บวชเนนแล้วก็ เป็นประพฤติพรหมจรรยมาตลอดอันนี้ดีความร้อนใจแบบนี้มันดีมันเป็นป น, นาฬิกาปลุกไงแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ระวังคือร้อนใจในภายหลังนู่นภายหลังถ้าเราไม่ได้เตรียมการไปก่อนแล้วมันเกิดไปร้อนใจตรงนั้นมันทําไม่ทันค่ะและสิ่งที่ที่ฉันกำลังกราบสนทนากับท่านพบูลอยู่เนี่ยที่ฉันเชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องของทุกคนเพราะถึงแม้เราจะตั้งต้นมาว่าคนที่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางคนบอกว่าโอ้โหชีวิตไม่เคยขาดใครเลยเนี่ยรายล้อมไปรอบตัว บ, บางครั้งลาคาญ ได้ยินเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้ยขึ้นรถนะสามีก็พูดมากๆกลับมาบ้านมาเจอญาติพูดมากอีกอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเมื่อถึงนาทีนั้นบางทีมันไม่มีใครนะคะเราต้องพึ่งตัวเองใช่ใ <c oughs> ต้องตะเกียกกายเหมือนเวลาไม่สบายท่านลองหลับตาคิดเวลาไม่สบายนะดิฉันแค่เอาฟันกัดกระพุ้งแก้ม ยังทรมานแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ของเราเองอ่ะไม่มีใครมาช่วยเราได้แม้กระทั่งหมอนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยโทรไปหาหมอวันนี้หมอไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต่อสู้กับความทุกข์เหล่านั้นด้วยตัวเองยิ่งนาทีชีวิตเนี่ยดิฉันคิดว่าอธิบายยากเหมือนกันว่จะเอาตัวรอดตรงนั้นได้อย่างไรหลังนั้นทางออกที่ท่านพิบูลได้บอกพระพุทธองค์บอกว่าจิตที่เมตตาใช่ไหมคะสมาธิจะเกิดง่ายอาการอดทนต่อภาษาต่างๆ เช่นเดียวกันอกับศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเช่นรู้ประมาณในการบริโภคการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นการฟังธรรมฟังเรื่อยๆหรืออยู่ในเสนาสนะที่สงบอันนี้ฝึกๆกัาไว้ใช่ฝึกๆไว้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตเรามีกําลังนจะได้มีคุณธรรมต่างๆที่ดีค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเคยเตือนเอาไว้ที่คโยมที่พูดถึงการป่วยบ้างการอะไรบ้างเนี่ยคือทุกเวทนาที่เกิดขึ้นต่างกาย ถ, ถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายก็เป็นกรณีหนึ่งคนที่เคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเวททุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเหมือนกันแต่ว่าสองคนนี้จะมีเรียกว่าชะตากรรมที่ต่างกันนะทุกขเวทนาทุกคนมีแน่นอนพระพุทธเจ้าก็มีทรานระานนก็มีปุรุชนธรรมดาก็มีอาแล้วมันต่างกันยังไงไหนะมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีธรรมะเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะเหมือนกับถูกลูกสร2สองดอกคุณถูกทางกายด้วยถูกทางจิตด้วย <c oughs> แต่ว่าคนที่มีธรรมะอยู่ในใจไม่ร้อนใจแล้วเนี่ยก็จะถูกลูกสรดอกเดียวและก็คือทางกายแต่ว่าไม่โดนทางจิตซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่ารู้ในการที่จะเอาทุกเวทนาทางกายเนี่ยออกรู้วิธีแต่ซึ่งวิธีการก็อย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการแลค่ะอันนี้เป็นความทุกข์ของ คนคนนั้นทุกของตัวเองมันมีความทุกข์อีกอย่างกั น, นะคะคือพอรู้เรื่องคนอื่นหรือว่าเห็นชีวิตของคนอื่นที่เห็นว่าแมมชีวิตของเขาหนี้น่าสงสารนะ่าบ้านแตกสลรยขาดหรือว่าดูซิเป็นคนต้องโทษ น, น ะ, ะไม่สามารถที่จะมาแสดงตนได้ในวันที่ บุคคลอันเป็นที่เคารพสูงสุดในจากไปอะไรเงี้ยนะคะอื ม, อมเราก็เกิดความสลดสังเวชมันก็ไม่ดีสําหรับความรู้สึกของเราที่สลดสังเวชและอันนี้ต้องต้องแยกกันนิดนึงเนี่ยเพราะว่ากรณีที่เราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทง้งกายทั้งใจอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ย ค, คือเทวทูตแตเทวทูตตั้งแต่พระสูตรที่เมื่อยกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการที่อธิบายถึงเรื่องยงมาบาลนี่แหล ะ, ค, ะคือเทวทูตนะ การที่เราเห็นคนที่ถูกลงโทษจะหนักก็ตามจะเบาก็ตามการที่เราเห็นคนที่ได้รับความทุกข์มีการเจ็บป่วยเป็นต้นแก่เป็นต้นพวกนี้เป็นเทวทูตเทวทูตเนี่ยหมายความว่าไงคุณโยมติว๋วทูตเนี่ยทูต่าเนี่ยหมายถึงผู้นําข่าวสารอยู่แล้วถูกไหม<ะ>เทวเนี่ยก็คือความดีเหมือนกับเป็นเทวดาอย่า ง, างนี้เป็นต้นผู้นําข่าวสารแห่งความดีมาบอกแล้วนะเราเห็นคนตายเนี่ยเป็นเทวทูตนะเราเห็นคนถูกลงโทษคนเจ็บเนี่ยเป็นเทวทูตนะ เป็นเทวทูตนำข่าวสารมาบอกเฮ้ย hey, คุณต้องทำความดีนะถึงเวลาที่คุณต้องทำความดีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องแก่ต้องตายไม่พ้นจากการที่อาจจะต้องถูกลงโทษแบบนั้นก็ได้เราควรที่จะต้องรีบทำความดีเป็นคำถามที่ถ้าเราไปเจออยมาบาลแล้วเขาจะถามเราแล้วถ้าเราระลึกไม่ได้ว่าเราเกิดความสลดสังเวชแล้วเราไปทาความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่ง แตนะถ้าเราได้ทำเนะี่ยเราจะระลึกได้เราจะพ้นตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำใช่ปะ่ะ<า>ก็จะระลึกไม่ได้ก็จะไปตรงนรกอ่ะอ<า>เพราะนั้นไอ้ความสลดสังเวชเนี่ยมันดีแต่ว่ า, าเราต้องทําความแยกแยะว่ามันไม่เหมือนกับความเสียใจความเสียใจร่าไห้กลําคลวนไม่ดีแต่ความสลดสังเวชดีเพราะอะไรเพราะว่าความสลดสังเวชเนี่ยมันทําให้เราต้อง take action ต้องทําอะไรสักอย่างเองหนึ่งเดี๋ยวมันจะต่างกัน แต่คนที่เสียใจและไม่กล้าครุนเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยจะแบบนอนจมกองทุกข์มันจะต่างกันตรงนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ถ่าเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นความสลดสังเวชจากการที่เห็นความทุกข์ของคนอื่นอันนั้นถ้าจะบอกว่าพระพุทธองค์ให้ทําจิตให้เหมือนกับว่าเห็นเทวทูตเลยใช่ไหมคะเทวทูตตูกต้องให้รู้ว่าเราต้องมาทําที่ตัวเราเองนะสลดเขาแต่เราต้องมาทําที่ตัวเราเองใช่ เ พ, เพราะด้วยความคิดตากาความคิดก็คือว่าแม้ตัวเราเองก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์อย่างนั้นจึงควรแท้ที่เราจะต้องทําความดีอันนี้คือตากาความคิดที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นเมื่อเห็นเทวดาดูดก็จะเป็นความสลดสังเวช ท, ที่ไม่เสียเปล่าอารมณ์นั้นเนี่ยเรียกความสลดสังเวชใจเป็นอารมณ์ที่เกิดประโยชน์ถูกต้องถูกต้องเขาจะมีความร้อนใจแล้วก็ทําอะไรสักอย่างห น, นึ่งหนึ่งให้อกุศลธรรมมันออกให้กุศลธรรมมันเกิดค่ะและในอีก อีกส่วนนึงนะคะคือเหมือนกับว่าแหมเราสลดสังเวชเราเ<ฉ>ก็อยากจะจ ะ, จะช่วยให้เขาอย่างน้อยมีความทุกข์น้อยลงคนที่เรากําลังสลดสังเวชเขาเนี่ยเราจะช่วยได้ไหมคะแล้วจะช่วยได้ช่วยยังไงคะท่านคะคือถ้าช่วยในเรื่องของอามิ t h อันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจจะเป็นสิงกองหรือว่าอะไรดอกไม้คากกปอปลโร่อะไรก็บ่าไปแต่ทีนี้ถ้าช่วยในลักษณะ ท, ที่เป็นนิรามิคือสูงขึ้นไปเนี่ยคือสมมติว่าตัวเราทําความดีใช่ไหมเราเห็นเขาทํามีความประสบความทุกข์อย่างใดหนึ่งเราก็ ตัวเราเองทําความดีอยู่เนี่ยแล้วเราชักชวนให้เขาทําความดีด้วยเนี่ยเช่นมีการให้ทานมีการทําเจให้เป็นสมาธิอย่างเงี้ยคุณก็เรียกว่าเป็นส like ัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษคือเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีอ่ะเพราะอะไรคนดีทําความดีด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทำความดีด้วยอนี่มันดีมากถ้าไม่มีโอกาสชักชวนให้เขาทาความดีล่ะค่ะอย่างนั้นก็เจริญยไม่ตาเปล่าน่ะจะเไม่ตาเปล่าน่ะเพราะว่าคนที่เมื่อได้รับกระแสงความรักความเมตตาแล้วเนี่ย จิตเขาก็จะน้อมไปในทางกุศลธรรมได้มากกว่าอย่างนี้นะก็เจริญเมตตาก็ได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสเจอกันเพราะว่าพลังจิตเนี่ยถ้ามันมีพลังจิตสูงเนี่ยมันเหมือนกับสาวิทยุเนี่ยแหละมีกําลังส่งสูงมีกําลังไหลวัดอย่างเงี้ยก็ส่งไปได้ไกล ไ, ได้ผลคนที่ไปปฏิบททัติธรรมค่ะท่านคะมีไม่น้อยเลยนะคะที่เป็นเพื่อนฝูงกันก็จะบอกว่าเนี่ยนะปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็ได้ เขาอะไรคะดิฉันจะใช้คําว่าแบ่งบุญที่บุญอะไรอย่างเงี้ยให้กับพวก<ช> <ๆ S 2> เราด้วยทําได้ไหมคะแล้วเราได้หรือเปล่าคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเทียนของเขาเนี่ยมีแสงสว่างเยอะมากเกิดขึ้นใช่ไหมค่<ท>ะเราก็มีเทียนของเราเราก็ไปต่อไฟจากเขามาเราก็จะสว่างขึ้นด้ว ย, ว ย, ว ย, วยในการไปต่อเทียนของเขามาเนี่ยบุญของเขาก็ไม่ได้ลดหมายถึงแสงสว่า ง, งหรือว่าเทียนของเขาไม่ได้ลดแต่ว่าความสว่างมันมากขึ้นคือเขาก็ได้บุญมากขึ้น เราก็ได้บุญมากขึ้นจากเียงของเราที่ไปต่อมาให้มันสว่างมากขึ้นอันนี้คือลักษณะของการอนุโมทนาค่ะเรารวมอนุโมทนากับความดีที่เขาทําการอนุโมทนาใ น, นก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตของเรานั่นเองค่ะดังนั้นในทางกลับกันคือพอเราเป็นผู้กระทําซะเองเพื่อที่บางคนเขารู้เขาจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยแล้วเราได้อ่าเจริญเมตตาเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นเนี่ยบุญที่เราทําก็จะได้มากขึ้นด้วยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง ก็ <คน S 1> จะเป็นแสงสว่างขึ้นมาเท่ากับว่าเป็นเมตตาอีกส่วนหนึ่งไหมคะเหมือนที่ท่านได้พูดไปว่าเป็นส่วนของการที่จะทำให้อันนี้คือความมุทิตาความมุทิตาคือยินดีในความดีที่เขาได้ทำแล้วก็ในในโลกสมัยปัจจุบันคือไม่ต้องไม่ว่าสมัยไหนก็ตามเถอะมันก็จะมีผ่านสะอย่างเงี้ยสุขบ้างทุกบ้างถ้าเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว เรารักษาสติให้ดีถ้ามีเรื่องใดเตือนให้เรามีความร้อนใจมีความสังเวชอย่างนี้ให้เรายิ่งตั้งมั่นในกุศลธรรมเลยแต่ทรงสติไว้ได้เนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนสติเราอย่างมากค่ะก็จะได้มีเสียแรงนะคะที่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธองค์ตรัสสอนอะไรเอาไว้เราจะจับฉ่วยเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราในส่วนไหนในชีวิตประจําวันดิฉันก็คิดว่าเราก็จะได้กําไรมากกว่าคนอื่นที่ไม่มีความรู้นี้แล้วก็ไม่ได้นำเอาไปใช้ ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไิบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการาบนมัส ก, การค่ะท่านฝั่งที่โรคค่ะที่านได้ถามท่านไิบูลนะคะว่าจะขึ้นมาแสดงธรรมที่กรุงเทพอีกเมื่อไหร่ท่านก็บอกอุย้ยอีกนานละโยมหลังจากออกพรรษาหรืออาจจะต้องกระถินไปนู่นเลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากสําหรับผู้ที่ได้ไปฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ผู้ที่ พลาดโอกาสรายการของเราก็นำมาให้เมื่อวานนี้นะคะกับการบันทึกเทปการแสดงธรรมจะปรากฏอยู่ใน YouTube หรือว่าเว็บไซต์เพียวธรรม a .com/106 ก็ได้นะคะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนทนาที่มีการสนทนาธรรมระหวา่างพระมหาไปปพบุญอภิปุนโนและก็ดิฉันสันสนียมนาคพงรายการสันสนียสนทนานี้ได้ทางสถานีวิยี ครอบกลัวขาว FM106 รนะคะในส่วนวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์แต่ว่าตั้งแต่วันจันร์เวลาเดียวกันเนี่ยท่านไพบู์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่แล้วทุกๆวันค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพูทั่วสวัสดีค่ะ